พรอาจารย์ครับกลาวนมรส ก, การครับผมอารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านพอดีก่อนพระอาจารย์มาได้ผมเอาเล่มนี้มาอวดเพื่อนๆครับพระอาจารย์<อ>จุลธรรมนำใจเล่มหนึ่งครับอ่าเล่มแรกเล่มแรกเลยครับพระอาจารย์ตอนตอนนั้นพระอาจารย์เทศครั้งที่สองเองครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับมายถึงอะไรเทศครั้งที่สว่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าคณะจุลธรรมเนี่ย ได้ไปกราบพระอาจารย์แล้วฟังเทศพระอาจารย์ครั้งแรกแล้วปรากฏว่าเขาประทับใจกันมากเลยแต่เสียดายว่าไม่ได้อัดเสียงครับเขาก็เลยไปกราบพระอาจารย์เป็นครั้งที่สองแล้วก็ขออนุญาตพระอาจารย์บันทึกเสียงอืไว้แล้วก็มาถอดความเป็นหนังสือเนี่ยครับ12มิถุนายน2548เลยครับอาจารย์48เขามาประมาณเดือนละ12ครั้งครับแล้วก็เทศแล้วเขาก็ถอดมาทําเป็นหนังสือ ก่อนหน้านั้นก็จะมีเทศอยู่ที่ศาลาเป็นกําลังใจอันนั้นจะเทศให้กับญาติโยมช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระอันนั้นเราก็แบบว่ายัชวนั้นวัดยังไม่มีเจ้าวาดมาอยู่ประจำเราก็เลยทำหน้าที่แทนเจ้าวาดไปพังพงก่อนพอเมื่อสักปีหกศูนย์นเจ้าวาด เขามาอยู่ประจําแล้วก็เลยหยุดเทศกําลังใจไปกําลังใจก็จบไปครับแล้วก็เลือแต่จุลธรรมนําใจครับจุลธรรมนี่ก็เทศก็ให้ญาติโยนที่มาฟังธรรมบนเขาฟังกันไปครับผมผมฟังธรรมะที่ที่ศาลากับบนเขานี่ความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับคนระเวอร์ชั่นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ตากันเพราที่ศาลาเนึ่อง บรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเอ่อก็จะ ค, ครุกโคมมีคนอะไรทําอะไรกันเยอะแยะพูดธรรมะก็พูดแบบในเชิงปริยัติไปยกธรรมะอยพูดอิทธิบาทสี่หรืออริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่แล้วก็ไล่ไปตามรายการแน่ทางบนเขานี่ยกสนธนาธรรมกันแบบคุยกัน ท่ากลางธรรมชาติที่มันสมบนะุกนแล้วก็คุยกันไป แ, แต่ไม่ได้กําหนดกดเกณฑ์ว่าจะพูดเรื่องอะไรครับพูดคุยกันไปแล้วมันก็มีธรรมะไหลายออกมาไปตามเรื่องของมันครับผมแล้วส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแนวปฏิบัติพราะผู้พพที่มาฟังม็อยากจะฟังเรื่องของการปฏิบัตินะไม่ค่ก็ในสนใจกับเรื่องทฤษฎีเท่าไหร่เรื่องปริยัติ ก็เลยเป็นธรรมะที่แตกต่างกันไปครับพระอาจารย์ครับเมื่อปีสี่แปดนี้พระอาจารย์ก็เทศทุกวันแล้วหรือว่าแค่เดือนละหนนะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เดือนละหนแล้วว่านานอาจจะมีหมู่คณะใครมามาขอฟังครั้งหนึ่งเทศไปครั้งหนึ่งแต่ไม่มีกิจจลักษณะยังไม่ได้มีกิจลักษณะครับแตมีช่วงช่วงหลังๆเมื่อสักเจ็มือสักสิบปีที่แล้วเนาะมีเริ่มมีทําำเฟซบ o ๊กอะไรึ้นมา ถ้ามีถ่ายทอดสดอะไรก็เลยมันถูกไยบังคับให้ให้พูดทุกวันครับผมก็เลยได้โอกาสตามไปกราบพระอาจารย์ช่วงนั้นเลยครับพระอาจารย์ส่วนมี่มีเฟซบุนะครับผ ม, อมบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่เล่าประวัติให้ฟังครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องอบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรครับพระอาจารย์ครับกับความมีตาครับพระอาจารย์ ความทุกข์ก็เป็นเหมือนไฟที่ไหม้ไหม้จิไหม้หัวใจเนี่ยมันก็เหมือนไฟที่ไหม้บ้านเนี่ยเวลาไฟไหม้บ้านเราจะทํำยังไงเราก็รีบกุรีกุจอกันรี บ, ร บ, รบทุ่มเททรัพยากรให้กับการมาดับไฟเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กี่สถานก็ต้องรีบมากันมาช่วยกันมาดับไฟไม่ใช่ทนแบบเออระเหยลอยลงทําแบบตามสบาย เพราะว่ามันเป็นกิจที่ฉุกเฉินการปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์มันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะมันเป็นเรื่องของการดับไฟในใจความทุกข์ก็คือไฟความร้อนร้อนใจเราจะมาทำแบบเอเอะเอะไรเห่ร่ายมมันก็จะไม่ทันการก็เลต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดับไฟของใจ ถึงต้องไปแบบว่าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ทําภารกิจอย่างอื่นผู้ที่เห็นความสําคัญเห็นภัยของไฟของความทุกข์ที่มาที่เผาใจเนี่ยจะไม่ไม่กระทําแบบสบายๆแต่ทาด้วยความรีบร้อนทําหมายถือว่าทําด้วยความมุ้มานะทาด้วยความอุตศะทําด้วยความเพียไปอย่างทุ่มเท ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการดั บ, ดบไฟในใจเพราะว่าถ้าทำน้อยมันโอกาสที่จะดับให้มันได้ราบข้ามนี้มันยากเพราะว่าไฟนี้มันลุกตลอดเวลามันไม่ใช่ลุกแต่เพราะเป็นช่วงๆนะไฟก็คือกิเลสต้นเหตุของไฟก็คือกิเลสกิเลสมาทำงานตั้งแต่เราเติรนได้มา แต่นขึ้นมามันก็โลกกดหลงมันคิดถึงเรืงนั้นเรื่องนี้อยากได้น่นอยากได้นี่อยากไปนั่นอยากมานี่มันก็เลยทําให้มันทําให้ใจเรานอนอยู่ตลอดเวลาเั้นการที่เราจะดับไฟกิเลตเราก็ต้องทําตลอดเวลาต้องแข่งกับกิเลสถ้าไม่เท่นั้นแล้วเราจะเอาชนะกิเลสไม่ได้เราจะดับความทุกข์ไม่ได้อย่างราบ้างเราก็ต้องทุ่มเทให้กับ การปฏิบัติการดับความทุกข์การปฏิบัติแล้วก็ทุ่มเทไปที่ทำอันแรกก่อนที่พระเจ้าส่งสอนให้เจริญก็คือสติสตินี้สั้นทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนลอยเท้าชา้ายิ่งใหญ่มีความสําคัญกว่าทำทั้งหมดรอยเท้าช้าในี้ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ที่มีอยู่ในป่าทั้งหมดรอยเท้าช้านี่สามารถครอบลอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ นี่คือความมีใหญ่ของสติเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้าที่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะดับความทุกข์นี้จะเป็นจะต้องจัดสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่ อ, อคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ใจเข้าสมาธิให้เข้าสู่ความสงบให้ได้เวลาใจ ห, หยุดความคิดได้ใจก็จะสงบกิเลสที่เคยทำงานอยู่ก็หยุดทำงานชั่วคราว เราก็ทำให้ทาให้มีมีความร่อมเงย็นเป็นสุขขึ้นมาเพียงแต่ว่าความสงบที่ด้วยด้วยด้วยสตินี้มันยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวยังไม่กยังไม่สามารถกบจัดกิเลสตัญหาให้หมดไปจากใจได้อย่างทาวอนเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วกิเลสก็ตามออกมาทันที คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความโลภความอยาดและเกิดความโกรธขึ้นมาขั้นต่อไปก็คือหลังจากที่เราสามารถเจริญสติจนสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราค่อยไปเจริญขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาเพียรสร้างปัญญา ด้วยการศึกษาสภาวะธรรมต่างๆที่ใจไปชบุบด้วยว่ามันเป็นตายรักไม่ว่าจะเป็นล่างกายของเราก็ดีความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ดีอารมณ์ต่างๆที่เกิดในใจก็ดีล้วนเป็นตายรักล้วนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ลงองเกิดดัเราไม่สามารถสั่งให้มัน เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ตลอดเวลาเช่นมันไม่สามารถสั่งให้มีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ให้มีทุกขเวทนาเปนบังค <Un itos. S 1> ับให้มีแต mm ่อารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานผ่องใสบางวันอารมณ์ก็เศร้าหมองหมดเหงื่อขึ้นๆลงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไปอยากให้มันมีแต่สุขอย่างเดียวพอมันไม่สุขมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์เพราใจเรายังเยอยเกิดความอยากให้มันสุขอย่างเดียว เราก็ต้องศึกษาธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่จะสุขอย่างเดียวมันมีทุกข์ด้วยมันสลับเันไปร่างกายมันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวบางทีมันก็ให้ความทุกข์กับเราเวทนามันก็บางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์อารมณ์มันก็มีสุขมีทุกข์เราควบคุมบังคับแบบไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจามันเปลี่ยนไปเป็นมา แต่เรอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวพอเราไปอยากมันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พอเราพิจารณาแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของตั้งกายของลูกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่ามันทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากของเราแล้วยอมรับความจริงของร่างกายของเวทนาของจิตไปพอเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์กับธรรมะต่างๆสภาวะธรรมต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็คือขั้นปัญญาต้องหลังจากได้สมาธิแล้วเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็ออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ ใช้ปัญญาศึกษาไตรลักษณ์ศึกษาอริยสัจสี่ให้เข้าใจแล้วเพื่อที่จะได้หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทําทสลับเกันไปกับการเข้าสมาธิพอเดินปัญญาแล้วมันสักระยะหนึ่งจิต ก, ก็จะฟุ้งได้จิต ก, ก็จะเมื่อล้าได้ก็ให้พักจิตเข้าไปในสมาธิตามพลัง พอพักในสมาธิแต่เวลาเต็มที่แล้วก็ออกจากสมาธิมาแล้วก็มาพิจารณาทำอีกพิจารณาใจรักพิจารณาร่างกายพิจารณาเมตนาพิจารณาจิตตามลําดับต่อไปเอาทีละตัวไม่ได้เอาทีทั้งสามเอาร่างกายก่อนยินง่งนั่ให้ร่างกายไม่เที่ยงกายกาจิตตายไม่สวยไม่งามเป็นสุภาษไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลงไป เมื่อเห็นแล้วก็จะได้ปล่อยวางไม่ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากของเราซเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายไม่ได้เวลาเข้าใจแล้วความทุกข์ของเราที่ไปทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราไปอยากให้ร่างกายเป็นไปในรูปแบบใดรูปแบบ ที่เราไม่สามารถบังคับให้มันไปได้เสมอไปเราก็เลยทุกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็อยากไปอยากให้มันเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับมันแก่ร่างกายแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ไปยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตายไปใจก็จะหยุดความอยาก หลับความทุกข์ในใจได้ทุกที่ใอริยสัจ ส, สีทุกที่เกิดจากควอยาแต่ทุกของร่างกายทุกของเวทนาทุกของจิตมันก็ยังมีอยู่เพีงยงแต่เราเข้าใจธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องทำตลอดเวลาสลหรับขั้นต้นก็ทำสติอย่างเดียวไม่ให้คิดอะไรแล้วก็เข้าสมาธิ พอเข้าสมาธิจิตรวมเป็นอัปป น, ปนาดได้สามารถอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลายาวนานและเวลาออกจากสมาธิมาเวลาต้องการจะกลับเข้าไปในสมาธิก็สามารถกลับเข้าไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็วจนชำนาญแล้วถึงค่อยมาเจริญปัญญาช่วงเจริญปัญญาก็ต้องสลับกับการเข้าไปพักในสมาธิไม่กก่เจริญปัญญาอย่างเดียวพอหลังจากพิจารณาแล้วก็จะเกิดความ เมือ่อน้ำขึ้นมาได้การความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ก็ต้องหยุดการพิจารณาเพื่อให้เข้าไปพักในจิตพักสมาธิเตามตามบเบิขาแล้วพอจิตได้พักผ่อนพอมีพลังแ ล, ล้วเวลาออกจากสมาธิก็ว่ า, าทํางานต่อพิจารณากลางกายจังการจะสามารถปล่อยล่างกายได้ทุกในทุกรูปแบบครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ อาจารย์ครับได้ยินครูบาอาจารย์ชอบพูดว่าวิตวิญิพานอยู่ฟากตายนี้ลักษณะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับก็น้นหลักเพื่อยอมร่างกายร่างกายมันไม่เทีย่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่ามันไม่เทีย่ยงเรายังไม่อยากให้มันตายด้วยเราก็จะไปไม่ได้เราก็จะละสักกายทิฏฐิไม่ได้เ้อง ต, ต้เพราะโสดาบันนี้ต้องยอมรับความตายได้ไม่ยอมรับความตายแล้วมันก็ไม่กลัวตาย เวลาไปปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลัวมันก็จะไม่กลัวครับแต่ถ้าคนกลัวตายนี่ก็ไม่กล้าไปที่ไหนที่มันน่ากลัวที่ไหนทุกข์ยากลําบากก็จะไม่ไปเพราะกลัวความตายก็ถ้าอย่งนั้นเขาไปไม่รอดครับผมผมเข้าใจควาหมายต้องยอมตายเพราะว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นของข้อสอบในการที่จะผ่านขั้นที่หนึ่ง คือขั้นโซดาบานนี่ต้องยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับผมถ้ากลัวตายก็แสดงว่าไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ไปไม่ไปไม่ผ่านผ่านปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะยังยึดติดร่างกายอยากให้มันอยู่ไปไม่อยากให้มันตายครับผมขอบคุณอาจารย์นครับ กับพระคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณแว่นครับบอกว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ต้องการทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดในวัตาสงสารอีกจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหนทางที่จะไม่กลับมาเกิดในวัตาสงสารครับก็ต้องหยุดต้นเหตุที่พระให้มาเกิดไงเหตุที่พระให้จิตมาเกิดพ่อมีตัณหาความอยากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส จะเสบลูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีเครื่องมือก็คือต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกเล่นกายถึงจะสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายได้แล้วก็อยากอยากเสบอย่างอื่นด้วยอยากมีอยากเป็นก็คืออยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างร่ำอยากรวยอะไรทำนองนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็อกางนึ่งก็วิภาวะตัณหาความอยากแม่ ไม่เป็นเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากเจอกับสิ่งที่เลวร้ายาต่างๆเราอยู่ในโลกที่มันมีทุกอย่างมีทั้งดีมีทั้งชั่วเราเลือกไม่ได้เราต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมา ธ, ธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเป็นฆราวาสยังใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์อยู่ก็เปลี่ยนวิธีแทนที่ เ, เงิน ไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขเื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนเอาไปทําบุญก็จะหยุดความอยากความอยากที่จะไปใช้มันไปดับความทุกข์ป้องไม่มีเงินให้ใช้ความอยากนั้นก็จะหายไปตาไปถ้ายังมีเงินอยู่ก็ยังอยากจะใช้เงินเวลาอยู่บ้านรำเริงหนาวนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกถ้ามีเงนินก็ออกไปเที่ยวได้ ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ต้องทำทานรักษาศีลภาวนาถึงจะหยุดความอยากทั้งสามนมี้ได้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปคุณอัชาราครับกาเปียนถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจบจิต เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะหรือการปฏิบัติที่ถูกคือเริ่มต้นจากทานศีลสติสมาธิและปัญญาครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนะจบจิตเป็นยังไงต้องขออภัยด้วยไม่เข้าใจความหมายตอบไม่ได้แต่ที่เขาเขียนว่าทานศีลสติสมาธิปัญญานี้ก็ถูกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็ต้องต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็แบบ เจริญสติไม่ภาวนานั่งสมาธินะเจริญปัญญาตามลำดับต่อไป <c oughs> คุณนานาครับท้อในความพุงสร่านของตัวเองและความขี้เกียจมากเป็นท้อจริงๆค่ะวามก็มันไม่ได้ช่วยเราเร า, เราต้องต้องใช้เหตุใช้ผลให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องอดทนต้องพยายามต่อสู้ ต้องมีความมุ่งมั่นไปยำบัดจุดพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็อย่าไปหวังว่าจะได้จเจริญได้มากนะเป็นแต่วันๆนันึงขอให้มีเวลาคิดถึงพุโทโธบ้างก็ยังดีไปก่อนเริ่มตอนตอนเช้านะนเขตื่นขึ้นมาก็ในช่วงที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครช่วงที่เราเตรียมตัวไปทำงานนี่เราก็สามารถเจริญสติได้ทำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป กวบคู่ไปกับการที่เรากําลังเตรียมตัวอาบน้ําน้ําหน้าแปรงฟันอะไแต่เนื้อแต่งตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงที่ดีสำหรับการเจริญสติในชีวิตประจําวันขอให้เราทําช่วงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจะเห็นผลว่ามันมีประโยชน์ทาให้ใจเราว่างใจเราเบาใจเราเย็นขึ้นสบายขึ้นก็อาจจะอยากจะเจริญมากขึ้นเราก็จะลองวันไหนที่เราไม่ต้องทํางานเราก็จะได้ลอง จรักสติท้วันเลยต้องต้อง อ, อทนต้องอย่าอย่าท้อท้อการท้อไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรต้องสู้ไม่ถอยครูบาอาจารย์ทต้องสู้ไม่ถอยคุณวรีวันครับการทอดกระถินทำต้นเงินถวายที่วัดได้บุญหรือบาปคะอ้าว่าทำบุญจะเป็นประบาตรงไหนล่นนะ การทอดกระถิ่นกการาก บ, บริจาคทรัพย์เจ้ากสิ่งของต่ตงางๆเงินก็มาจากได้ไม่ทราบบางคนไปปั่นหัวไปแล้วสมองญาติโยมบางคนว่ากาถวายเงินทำบุญในการถวายเงินนี่บาปเพราะพระใช้เงินไม่ได้พระใช้ไม่ได้แต่ว่าต้องใช้เงินงน่ะทําไงมันต้องมีค่าน้ำค่าไฟมีค่าก่อสร้างมีญาติโยมไปวัดก็ต้องมีห้องน้ําให้ญาติโยมใช้นีแล้วจ้างเงินที่ไหนมา ถ้าไม่มีการบริจาคเงินให้กับวัดบางคนเข่นยไปเข่นกับคำพูดที่ว่าห้ามพระแตะต้องเงินทองก็เลยเหมาไปเลยว่าเงินทองนี่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายกับกับพระทําบุญให้เงินกับพระแล้วจะบาปมันก็อยู่ที่พระน่ะครับพระที่รับเงินเนยจะรู้จักใช้งเงินหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็อนุญาต แต่ว่าแม่เก็บแม่เก็บเงินไว้กับตนเองให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้เวลาต้องการอะไรก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปหามาถ้าเป็นเรื่องเรื่องจำเป็นเช่นสิ่งที่เป็นสั ม, มบัตบริโภคก็คืออาหารยีวอนที่อยู่สาสัยยารักษาโรคเนี่ยก็สามารถบางทีไม่มันขาดแคลนก็ต้องใช้เงินทองไปซื้อมา แต่ไม่ให้พระเป็นคนจับเงินจับเต้าแล้วไปซื้อข้าวของในเองตามร้านค้าต่างๆทั้งนั้นเองแต่ทรงอนุญาตให้พระรับเงินได้าจากญาติโยมแต่ไม่ให้เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ใช้ด้วยตนเองเวลาจะใช้ให้ให้ญาติโยมให้ลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้เป็นคนไปจัดหามาให้ทีนี้น คุณสัสิภรัฐครับถ้าลูกชายบวชพระแล้วพ่อไม่เห็นด้วยที่จะให้บวชแต่ลูกชายก็บวชจนพ่อตอมใจที่ลูกไม่ฟังสุดท้ายเสียมากจนตอมใจคิดสั้นผูกคอตายจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะก็คนที่ฆ่า ต, ตัวตายแหละบาปไม่ว่าจะฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอนไรก็ตามก็บาปทั้งนั้น คุณอัฏฐากรครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ครับอุปทานอนุสัยอาสวะนี่อันเดียวกันไหมครับมันก็เป็นกิเลสนะครอุปทานก็เกิดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเป็นมันเราเป็นของเราเนี่ยก็เป็นกิเลสความหลงเพราะไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราส่วนอาสวะก็เหมือนกันอาสวะก็เป็นกิเลสแบบเดียวกันอาสวะก็ แล้วก็อนุสัยนี่มันเป็นเรื่องของนิสัยสิ่งที่ฟังอยู่ในใจเป็นอยู่ในใจก็เป็นอนุสัยคุณพริตตี้ครับมีคําถามคือการละขันห้าต้องพิจารณาอย่างไรครับก็เพิสนว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีตัวตน เราไม่ไดงเป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นเราเราเพียงแต่ใช้ขันห้าเหมือนกับเราใช้รถยนต์คันหนึ่งแต่เราแต่เราไปหลงว่าขันห้าเป็นเป็นเราแต่เวลาซื้อรถมาเราใช้รถยนต์นี้เราไม่หลงเรารู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ใช่เราเราก็ใช้มันไปตามตามสภาพใช้ได้ก็ใช้ซ่อมได้ก็เราเสียก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งรถไปเราก็ไม่ไปทุกข์กับมัน แต่กัาร่างกายนี้เราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยทุกเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเพราะเราคิดว่าเราจะเป็นไปกับมันความจริงเราไม่ได้เป็นอะไรเป็กับมันห้ามันแค่คนขับรไม่ได้เป็นอะไรไปกั บ, กบไรถยนต์เราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ขาหน้าทำอะไรต่างๆให้กับเราพอมันเสียมัน มันการเรื่องของขันห้าไปเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของของเราเราไม่ได้เสียตามขันห้าไปตองพิจารณาว่ามันไม่มีตัวตนเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคุณดำครับปัจจุบันนั่งสมาธิช่วงเช้าก่อนเริ่มงานช่วงพักเที่ยงและก่อนนอนเป็นประจำควรหาเวลาในคขมมะเอาไปปฏิบัติตามวัดป่าหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยหรือไม่ครับ ถ้าเราต้องการความก้าวหน้าต้องการความสงบให้มากขึ้นให้ลึกขึ้นก็ก็ต้องเพิ่มทําปฏิบัติให้มากขึ้นคือสถานที่ที่สงบสงัดมันจะเอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าสถานที่ที่ไม่สงบนะยังบงทีปฏิบัติที่บ้านนั้นอาจจะมีอมีบุคคลมีเหตุการณ์อะไรต่างๆบังคอยรบกวนการปฏิบัติของเราก็ได้นะ แต่ถ้าปฏิบัตินี้ก็พยายามที่จะจัดสถานที่ให้สงบสงัดไม่ให้มีอะไรมารบกวนผู้ปฏิบัติคุณพริตตี้ครับถ้าปล่อยวางกายได้ทางนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องพิจนารณาอย่างไรครับก็พิจารณาตัวโยนเนี่ยวิทยาวทนาเวทนาว่าเวทนามันก็มีสามมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ ควบคุมบ <necessary. S 2> so hope ังคับม like yeah, so so ันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องปล่อยวางมันเราก็ต้องอยู่ก็ปล่อยให้มันสุขไปปล่อยให้มันทุกข์ไปปล่อยให้มันไม่สุขไม่ทุกข์ไปอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวพอมันไม่สุขมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันสุขเช่นสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันมามันทํางานร่วมกับเวทนามันทีมเรื่องเรื่องสัญญาสังขานี่เราไม่ต้องพิจารณาพิจารณาแต่ตัวเวทนาตัวเดียวพอ คุณมาลิสาครับคนบางคนสนใจฟังธรรมมีความตั้งใจศึกษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีหลายคนฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นเพราะเหตุใดครับเพราะว่ามันเป็นวิชาเหมือนกับวิชาทางโลกครับคุณ้บางคนก็ศึกษาคณิตศาสต ร, ร์ไม่รู้เรื่องบางคนศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะผูผมผมปญัญญาของเขาไม่ไม่มีกําลังพอที่จะเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆได้ แต่ถ้าเขาพยายามฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เลยเขาก็จะเข้าใจเห็นแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งท้อพอฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ฟังเล ย, ยนี่มันก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราสามารถเรียนรู้ได้เพ�다จะต้องใช้เวลาเท่านั้นเองถ้าใจร้อนแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็ยามันก็จะไม่อยากฟังเพราะฟังไม่เข้าใจคุณบุญยรัตครับ กาเป็นถามพระอาจารย์ถ้าเราสวดมนต์ในใจเทวดาจะมาอนุโมทนากับเราได้ไหมครับเราไม่ได้สวดมนต์เพื่อเทวดามาอนุโมทนากับเรา้ราสวดเพื่อทําให้ใจเราสงบอย่าไปเข้าใจผิดหนองประเด็นเงินอนุโมทดาเขาไม่มีเวลาจะมานั่งฟังเราสวดเขามีมีบุญมีอะไรของเขาที่จะพาให้เขาไปมีความสุขกว่าม า, มานั่งฟังเราสวดมนต์ คุณประชาะครับอยากจะตั้งเป้าหมายนั่งสมาธิหนึ่งหมืนชั่วโมงก่อนสิ้นอายุไขคิดว่าจะต้องนั่งเยอะมากแบบนี้จะเรียกว่าเป็นอัดฐากิมาฐานุโยกทรมานตนมากไปไหมครับที่เหมาะคนคิดอย่างไรดีครับยังไม่ได้ทำเลยอะไปทรมานตนได้ยังไงมันเแค่ความคิดเท่านั้นเองนอย่าไปคิดมันไกลกว่าที่เราจะเอื้อมได้เลยเ อ, เอาแค่วันละชั่วโมงก่อนดีกว่า แค่ okay. วันละชั่วโมงแล้วก็เพิ่มไปถ้านั่งชั่วโงหนึ่งได้แล้วเขาก็เพิ่มเป็นสองชองั่วโมงเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกว่าทําไปตามกําลังของเราอย่าไปทําเกินกําลังมันไม่เกิดไปตั้งเป้าเกินกําลังก็เป็น ต, ตั้งให้มันโก้ๆหรุๆเท่าน้นเองแต่ไม่ได้ทําไม่ผลเราไม่ต้องการจะตั้งเป้าเราไม่ต้องการจะทํำสถิติในการปฏิบัติเราต้องการปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลคือความสงบ คุณเที่ยวไปเรื่อยครับถ้าจะบวชควรหาวัดที่เน้นภาวนาไม่เน้นการก่อสร้างหรือพิ ธ, ธีกรรมถูกต้องไหมครับก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการอะไรนะถ้าเราต้องการภาวนาเราก็ต้องไปหาวัดที่ภาวนาเป็นหลักแต่ถ้าเรายังไม่อยากภาวนายังอยากจะทําบุญอยากไปช่วยก่อสร้างวัดหรืออยากจะไปทําพิธีกรรมเราก็ไปเลือกวัดเหล่านั้นคุณใบหยกครับ ตอนนี้ลูกนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงจากแต่ก่อนแค่สี่สิบห้านาทีเวลานั่งก็สงบจนโล่งสบายแค่รู้ในความโล่งเบานั้นออกมาสักพักก็คิดปรุงแต่งแต่ว่าอารมณ์ต่างๆโกรธโลภโกรล ด, ล, ดลงเจ้าค่ะแต่ความหลงลูกยังไม่เจอบททดสอบจริงๆเจ้าค่ะก็เวลาเราเสียอะไรไปแล้วเราต้องหมต้องให้นั้นก็คือความหลงเพราะเราไปคิดว่าเป็นของของเราทจริงมันไม่ใช่เป็นของของเรา คุณบุบผาครับไปซื้อปลาที่ตลาดสดโดยซื้อที่แม่ค้าทําให้ปลาตายแล้วแต่ไม่ได้สั่งให้แม่ค้าฆ่าปลาจะบาปไหมผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเขาทำให้ตายแล้วเราไปซื้อเอาซืเอาเอ า, เอาตัวที่ตายแล้วไม่บาปแต่ถ้าเราไปชี้ตัวที่ยังไม่ตายแล้วก็ก็ไปทําให้ตายแล้วมาให้เราเนี่ยอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่ ค, คุณชนะการครับ คนที่ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรคุมเครื่องจักรฆ่าหมูบาปไหมครับมัาบาปเลยมันก็มัเครื่องจักรฆ่าหมูมันก็เป็นเครื่องฆ่าสัตว์เราเป็นคนควบคุ ม, มก็เหมือนกัเรามนก็เหมือนใช้มีดเนี่ยควบคุมมีดเอามีดไปฆ่าฆ่าหมูเียมันก็บาปคุณกดฉพรครับการสวดมนต์ถือเป็นการทำสมาธิใช่หรือไม่ครับก็เป็นการทำสมาธิเบื้องต้น สำหรับบางคนที่ยังไม่สามารถนั่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธได้กาสายการสวดวนไปก่อนแต่จะเป็น <c oughs> ผลที่ได้มันจะเป็นสมาธิแบบหยาบๆ ย, ยังไม่ละเอียดยังไม่ลึกพอต้องสวดไปแล้วพอจิตเริ่มมีความสงบแล้วก็ลองเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อเพื่อให้ใจสงบเดิมเข้าไปมากยิ่งขึ้น <c oughs> คุณออนนี่ครับเริ่มต้นฝึกขังกิเลสโดยกับการนั่งอยู่กับที่ทำได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงมากที่สุดสามชั่วโมงทรมานกิเลสจริงๆครับเพราะใจมันไม่อยากอเฉ่เฉยจะพยายามฝึกต่อไปครับครับอาจารย์ครับดี <c oughs> อันนี้ก็เป็นการทรมานกิเลสแบบแบบไม่ต้องมามาบังคับให้แค่ร่างกายเจ็บปวดอันจะทำให้ร่างกายเจ็บปวดนี่มันก็อีกขั้นหนึ่ง แต่ขั้นตอนนี้เพิ่งไปทรมานร่างกายทรมานตกิเลนอย่างเดียวครับคุณเด็ส์ครับการเจริญอิทธิบาทสี่จะช่วยส่งผลให้มีอายุยืนจริงไหมครับก็มันแล้วแต่นะถ้าร่างกายมันเป็นโรคอะไรมันต่อให้เจริญธรรมะอะไรมันก็มันก็อยู่ไม่รอดมันก็ต้องอันนี้ถ้าเป็นร่างกายปกติที่มันไม่ได้มีโรคภายแค่เจ็บ การจเจริญในที่บาทสี่มันก็จะทําให้ช่วยเสริมให้ร่างกายมันอยู่ไปได้ยาวนานขึ้นอันนี้นก็เป็นไปได้ <Okay. S 2> เพราะาจิตสงบจิตไม่เครียดมันก็ทําให้ความเสื่อมของร่างกายมันน้อยลงมันช้าลงนี่ยหมคุณหมอใช่ครับถ้าระบบการหายใจระบบหัวใจเนั้นมันทํางานได้เป็นปกติมันก็ไม่มันก็จะทําให้มันเสื่อมช้าลง สังเกตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยอายุยืนกันเยอะเลยครับอาจารย์คุณพริตตี้ครับกลาเป็นถามค่ะมีวัดให้ทำบุญจะมีถวายเงินพระสงฆ์องค์ละหนึ่งพันบาทตอนแรกจะทำบุญแต่มาคิดว่าถ้าทำแล้ววัดถวายเงินให้พระจะผิดวินัยทางสงฆ์ไหมเลยไม่ได้ทำบุญครับก็แล้วแต่ว่าเขาทางวัดก็มีความจาเป็นอย่างไรที่จะต้อง ให้ญาติโยมถวายพระโดยจํานานนวลเงินเท่านั้นเท่านี้ <c oughs> อันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> โดยปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ควรจะถวายเงินให้กับพระนอกจากเรารู้ว่าท่านอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเอาไปซื้อยาซื้ออะไรที่ที่ไม่สามารถรับจากโกรงพยาบาลได้เปัญญาที่ฉัานต้องใช้ แล้วก็ถอยเฉพาะกิจไปก็น่าจะเหมาะกว่าเหมาะกว่าการที่ให้ไปแบบไม่มีเหตุมีผลเดี๋ยวกลวว่าท่านพอมีเงินเยอะเดีย๋ยวท่านจะลาสิขากันไป <c oughs> หรือไม่งั้น <c oughs> ก็เอางินไปเที่ยวกันเอาเงินไปเที่ยวไปไปซื้อของฟู่มเยกันซื้อมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดกันอะไรอย่า ง, น, ง, น, งนี้ทลองเนี่ย คุณอดีสรครับรักษาศีลห้านั่งสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องทุกๆวันมาสองปีแปดเดือนแล้วครับและจะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆครับอืถ้าเป็นเงได้อยากจะให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปอย่างวันละเช้าชั่วโมงเ<ม>ย็นชั่วโมงอาจจะเพิ่มเป็นสองชั่วโมงอะไรทํานองนี้เริ่มแบบเพิ่มเวลานั่งให้มากขึ้นอาจจะช่วงบ่ายบ้างช่วงกลางวันมากอะไรทำนอ ช่วงค่าว่างช่วอให้เพิ่ ม, เ พ, ม, เ, พ ม, เ, พมเพิ่มการเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเราต้องการให้มันก้าวหน้ า, ามดชะนั้นเราก็จะติดอยู่ตรงนี้ได้แค่นี้คุณมาริษาครับมีหลายคนทนทุกข์ทรมานจากการเสื่อมของสังขารจนชิงค่าตัวตายอยากได้ข้อธรรมจากพระอาจารย์ถ้าเมื่อสังขารเสื่อมแล้วแต่ไม่ตายสักทีจะทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ถือว่าเราต้องการทาข้อสอบ เราต้องการปล่อยวางร่างกายร่างกายจะอยู่ในสภาพใดเนี้เราจะไม่ให้ไปทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันโดยไม่ทุกข์อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ น, นั่นเองถ้าเรากล้าตัวตายนี้มันก็มันก็ทาให้เราสอบตกเราหนีเรานีก็หนีการทับก็สอบไป เดี๋ยวพบหน้าชาติหน้ากรรมมาเกิดใหม่ก็จะเข้อเสื่อมเนี่ยมันก็จะติดอย่างนี้ไปไเรื่อยๆไม่มีวันผ่านได้ถ้าเราอยากจะผ่านเราก็ต้องใช้การปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเนี้เป็นเครื่องมือในการสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายนะเพราะร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันต้องเสื่อมเป็นธรรมดาคุณจำเนียนครับ นักวิชาการพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บครับก็ฝืนอยู่กับความเจ็บเสียถ้าเรากลัวเจ็บเราก็ร่างฝืนฝืนฝืนอยู่กับความเจ็บให้ได้โดยการนั่งนั่งสมาธิไปแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บก็อยับเพิ่งขยับพยายามใช้สติควบคุมใจให้อยู่เฉยเฉยให้นิ่งถ้าใจนิ่งแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะอยู่กับความเจ็บได้ ที่เวลานั่งไปนังเจ็บแล้วก็บรรยาราศพุทธโถพุทโธพุทธโถพุทธโถไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บสักพักหนึ่งใจก็จะเนี้งสมมงบใจก็จะหยุดต่อต้านความเจ็บพอหยุดต่อต้านความเจ็บอาการทุกข์ใจก็ทรมานใจก็จะหายไปเราสามารถอยู่กับความเจ็บได้อย่างที่พระอาจารย์เจ็บฟันตอนนี้หายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์หายแล้วหายแล้วอย่าเนี้ยนั่นอย่งนี้นัดเงินห น, งหน้า ยังไม่เอ็กซ์ซีเลยเกหนึ่งก็เป็นไรมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เป็นแค่วันสองวันนี่ที่มันที่มันเจ็บเหมือนทรมแต่ไม่ทรมานนะมันเจ็บมันก็ต้องเพราะเราก็ยอมยอมรับมันแล้วก็เยอะยอมอยู่กับมันไปมันก็เลยไม่ทรมานคุณรอยเคียวครับการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิสามารถส่งผลอะไรให้เราในทางโลก ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงไหมครับหรือทำให้จิตเราสงบได้สมาธิเท่านั้นครับมันก็จะทำให้เรามีความสุขทำมีความพอมากขึ้นก็ทำให้เราความโลภความอยากได้ไน้อยลงเราก็เลยไม่ต้องไปดิ่นรลนไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำลายตอบสนองความโลภความอยากของเราชีวิตของเราก็จะสบายขึ้นความกดดันที่จะต้องหาเงินหาทองมาเพื่อมา รับใช้กิเลสตัณหามันก็จะมีน้อยลงไปเราก็สามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรคุณสีนวนครับถ้าเราตกอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าเสียใจร้องไห้ทุกวันถ้าเราตายไปจะตกอยู่ในอบายภูมิไหมครับไปเลยถ้ามันสุขเศร้าเสียใจมันเป็นความทุกข์มันก็ต้องไปอบายนะ <c oughs> คุณสุภาพรครับใจไม่ยอมปล่อยวางภาระหน้าที่การงานแม้เป็นวันหยุดก็ยังคิดแต่งานลูกขอาอุบายการละวางเรื่องงานเพื่อจะได้ภาวนาได้มากขึ้นครับก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วงานต่างๆที่เราทํามามันก็เราก็เอาไปไม่ได้แล้วเราจะไปวุ่นวายกับการทํางานมากเกินไปทาไมก็ทำเท่าที่เราต้องเป็นเท่าที่ต้องทาก็พอวันหยุดก็ต้องรู้จักหยุด ทำงานพักผ่อนมา้างย้าวแต่งานอย่างเดียวคุณสสิพ ร, รัชครับการฝึกสมาธิทําถ้าเรากําหนดพุดโทโธไว้ที่ลิ้นปีและมีความสงบเบาสบายเป็นวิธีการฝึกสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้ามันสงบมันสบายก็ถูกต้องเราทําสมาธิเพ่ให้ใจสงบใจสบายวิธีการอาจจะตกต่างกันไปครับสำหรับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ คุณแดงครับความคิดคิดเฉยๆกรมประมาณไหนคะถ้าคิดเฉยๆมันก็เป็นกลางๆนะถ้าถ้าคิดถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ถ้าคิดดีมันก็เป็นสุขนะแต่คิดเฉยๆมันยังไม่บาปใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ยังไม่ได้กิเลสถ้ายังไม่เลยไม่เลยไปพูดหรือไปทําอะไรนี่มันก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเนะี่ย เป็นแต่ความคิดเฉยๆวิบากยังไม่เกิดผลของกรรมยังไม่เกิดเกิดที่ใจเกิดที่ใจสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราคิดจะทําบาปนั้นใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาครับคิดจะทําบุญใจเราก็เย็นมีความสุขนะคุณตั้มครับ ถ้าอยากนิพพานถือว่าเป็นความอยากมีกิเลสไหมครับพระอาจารย์ความอยากมันมีสองชนิดเลยความอยากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่ไม่เป็นกิเลสความอยากไปทางธรรมนี่ไม่เป็นกิเลสความอยากทางธรรมนี่ถือว่าเป็นมรรคเป็นการเป็นเส้นทางสู่การการการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันถือว่าไม่ได้เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นมรรคถ้าเป็น เกเล้นต้องหมายถึงความอยากจ ะ, ะทําเพื่อให้ได้สัมผัสกับความสุขทางตาองจมูกนิ้นกายอันนี้เป็นเกเลเพราะมันจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดความอยากอันนั้นที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเกเลความอยากอันใดที่พาให้เรามยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ไม่เป็นเกเลคุณนัทวุฒิครับ นั่งสมาธิหลังจากจิตใจสงบมีอากาศอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกแล้วมีเหมือนมีก้อนขมุขขมัวดำๆอยู่ตรงหน้าพยายามไม่สนใจทีไรก็ลืมตาขึ้นทุกครัง้งควรปฏิบัติอย่างไรครับก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบถ้าสงบแล้วจะไม่มีอาการอึดอัดจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายใจมีความสุขนี่อันนี้ไม่ถือว่าเป็นความสงบถือว่าจิตยังไม่สงบจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ คุณจุ๊ก ค, ครับอยากทราบว่าคนที่บทเรียนตั้งแต่เป็นเนนจนจบปริญญาแล้วศึกโดยตอนเรียนใช้ปัจจัยของญาติโยมบาปไหมครับไม่บาปหรอกถ้าเขาท ำ, ทำนบกฎระเบียรรักษาสิงรักษาธรรมาวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดเองก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดคุณปิยพรครับวันนี้จิตตกเพราะทราบข่าวคนในคอนโดโดดตึก เลยรู้สึกว่าจิตยังไม่เข้มแข็งพอแต่ก็พยายามจะเดิญมรณานุสติอย่างนี้จะเพียงพอไหมครับก็อยู่ที่ว่าทําให้จิตเราสงบได้ได้หรือไม่ต้องเจริญมานัสติหรืออะไรก็ได้จนกว่าจิตเรานี้สงบไม่ไม่ไม่เดือดร้อนกับข่าวข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาคุณมณีนุชเพื่อนบอกว่าให้ช่วยกันนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตให้อมาม่าหน่อย ท่านมีจิตใจมักโกรธอารมณ์รุนแรงอารมณ์จะได้เบาลงแบบนี้กําลังจากสมาธิจะส่งไปถึงได้หรือครับพระอาจารย์ไม่ได้หรอกเรื่องเรื่องอารมณ์ของแต่ละคนนี้ต้อ ง, งระงับด้วยตัวเองคนเดินมานระงับให้เหราไม่ได้ถ้ า, าระงับได้พระพุทธเจ้าก็ระงับให้พวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วใครยังมีพลังบรารมีมีพลังเท่ากับพระพุทธเจ้า คุณบอยครับบอกว่าวิญญาณเดินทะลุกำแพงได้ไหมครับวิญญาณมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะมันไม่ได้อยู่ในในโลกลิ้นของดินน้ําลมไฟมันไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายนนมันไม่มันไม่เกี่ยวกันอยู่คนละมิติกันวิญญาณก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันไปเวลาเราฝันเราก็สามารถเหินเดินอากาศได้ทะลุไป อะไรไนดะ้เพ่มแล้วแล้วแต่เราจะฝันยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นเรืองจินตนาการทางจิตใจมันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแบบลูกกระทันทางร่างกายคุณเฟรตตี้ครับจิตกับเจตสิกเป็นอย่างไรครับอันนี้ต้องเอาไปเปิดดูดีกว่าไม่เราก็ไม่มั่นใจเนี่ยพูดตอบไปอาจจะผิดก็ได้ลองไปเปิดถามก o เกิลดูก็ได้จิตและเจตสิกเป็นอย่างไร มากกว่ามาถามเราคุณมาคะสรีครับในบทสวดมนต์ที่กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์ทรงรู้อะไรตื่นจากอะไรและเบิกบานอย่างไรเจ้าคะ่ะทรงรู้ อ, นนอาาาริยศาสตร์เสียงหรือว่าไตรลักษณผู้ตื่นก็ตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความหลงไหลในสิ่งต่างๆว่ามีตัวตน นั่นเห็นว่ามันเป็นไตรักนางท่านก็จะมีจิตที่เบิก บ, บานผา่องใสสงบคุณกระต่ายครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเจอเรื่องทุกข์ใจในการยึดติดในทรัพย์สินกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ใจแต่พอเราพยายามรักษาใจด้วยธรรมะไม่ยึดติดและปล่อยวางให้ได้จนใจหายทุกข์และปล่อยวางอย่างนี้จะถือว่าเราทำข้อสอบผ่านแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ยังไม่แน่ก็ น่าอาจจะปล่อยวางได้โชคขา่าวแล้วเกิดถ้าทรัพย์สินของเราหายไปจริงๆก็ต้องดูตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้หายยังยังมีอยู่เพียงแต่วิตกกังวลยับมันอาจจะระงับดับความวิตกกังวลได้ถึงเวลาจริงๆนใจยังจะทุกข์อยู่ไหมเนี้ยต้องต้องดูตอนนั้นถึงยะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสิงนี้ประดาตัวแล้วสึกเฉยๆมันเดือดร้อนอย่างนี้นผ่านได้ คุณมงโก้ครับฝึกมรณานุสติทุกคืนก่อนนอนขอคำแนะนําในการฝึกที่ถูกต้องครับอาจารย์ก็นึกถึงความตายไว้อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าชีวิตเรานันเป็นของชั่วคราวอาจจะตายได้ทุกคเวลาเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทเพื่อเราจะได้รีบทําความดีเพื่อเราจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานก่อนตาย แร้ก็เพื่อเราจะได้ไม่โกรธตายเพราะเม่เรารู้ว่าเราต้องตายถ้าเราอยอมรับได้เราก็จะไม่โกรธความตายยิ่ต่อไปคุณนัทวุฒิครับนั่งสมาธิหลังจากจิตใจสงบอ่อนี่ทำไปแล้วครับตาซ้ครับคุณครองสติครับการที่เราถูกหักหลังหรือใส่ร้ายถูกนินทา น, นั่นหมายความว่าชาติที่แล้วเราเคยทำเขาไว้ใช่หรือไม่ครับ ก็ไม่แน่บางทีก็อาจจะเคยทํามาแล้วก็ได้อาจจะไม่เคยทํามาก็ได้แล้วแต่ไปเจอคนที่ชอบหักหลังเราเราอาจจะไม่เคยหักหลังใครมาก่อนแต่เราอาจจะไปเจอคนที่ชอบหักหลังก็ได้ไม่แน่มาเพราะทุกอย่างจะต้องเป็นเกิดจากอดีตกรรมอย่างเดียวคุณขันติพงศ์ครับการชุมนุมเทวดาจําเป็นไหมครับที่ต้องชุมนุมทุกครั้งที่สวดมนต์ครับ มันไม่ไม่จำเป็นหรอกเพราะชับชุมนุมไม่ได้เรามีพลังจิตขนาดไหนไมาเรียกเทวดามาชุมนุมอันนี้เป็นปร ะ, ประเพณีความเชื่อ น, นัอน่นึองว่าเวลาสวดมนต์อยากจะเชิญเทวดามาฟังมาร่วมฟังกับการสวดมนต์ของเราเพื่อเทวดาจะได้ความสงบตามเราไปด้วยอแผ่เมตตาให้ให้ความสุขกับเทวดาด้วยการเชิญเทวดามามาฟังเราสวด คุณสราวุธครับถ้าเรายังยึดติดกับวัตถุมงคลพระเครื่องและปฏิบัติธรรมด้วยผลจะเกิดมากไหมครับมันก็เป็นคนละเรื่องกันปฏิบัติธรรมก็ได้ผลทางธรรมวัตถุมงคลไม่ทราบว่าได้ผลเนี่อะไรบ้างเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยติดกับวัตถุมงคลมาก่อนเลยไม่สามารถตอบส่วนของวัตถุมงคลได้ส่วนปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมมันก็จะใชดผลตามลำดับของ แห่งการปฏิบัติของเราอาจจะถามในแง่ที่ว่าเหมือนกับยังมีศีลปาตปารามาสอยูいい่างนี้ไหมครับอาจารย์หล <sin> ักการปฏิบัติธรรมจะยังเกิดคนใหมก็ได้นะก็ปฏิบัติธรรมก็เพื่อในที่สุดก็จะเลิกเลิกติดกับวัตถุมงคลถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตเราเกิดเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าวัตถุมงคลนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับขั้น การปฏิบัติธรรมของเราเราก็จะเลิกเพื่มวัตถุมงคลต่อไปผมเลิกผมไม่มีวัตถุมงคลมานานมากนะครับอาจารย์ตอนเด็กๆ ก, ก็มีครับแต่ผมมาตอนนี้ไม่มีเหลือมันเป็นเชิงจิตวิทยามีความเชื่อว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แนละ้วมันจะคุ้มครองจิตใจเราให้ปลอดภัยรูคองเราให้ปลอดภัยมันก็ในเชื่อแล้วก็ในติด เหมือนกันเชื่อเป็นเหมือนอาวุธปิดเนี่ยคนที่เชื่อว่าถ้ามีปิดนั้นจะปลอดภัยเวลาเกิดใครจะมาทำร้ายเราเราก็ได้ป้องกันตัวได้คนที่เชื่อว่าถึงของคนก็ในในเชิงนั้นนะคุณพิติพัทครับเหตุที่ทําให้เกิดความเพียรคือต้องเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นใช่ไหมครับหรือต้องสร้างเหตุอย่างไรให้เกิดความเพียรครับใช่ต้องเห็นผลที่เราจะได้จากการ การทำการทาความเพียรถ้าเราเห็นถ้าเราไร้รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราจะได้มัคผลนิพพานอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเกิดมีวิริยะขึ้นมาเกิดมีความเพียรขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำไปแล้วจะได้อะไรมันก็ทำให้เราอาจจะไม่มีความความเพียรก็ได้เราต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรในเวลาเราทำมาหากินแล้วเราได้รายได้เยอะอย่างนี้มันก็จะทาให้เราขยัน ถ้าเราทำไปแล้วไม่มีไรายได้่าเข้ามาเลยเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมคุณชัญญาครับขนาดนั่งภาวนามักจะไปคิดถึงงานที่จะทำหรือสิ่งที่จะต้องทำควรจะใช้วิธีไหนเพื่อให้พัฒนาการภาวนานี้เจ้าค้าและภาวนาให้ถูกทางครับ อ, อ๋อวราน้องจะฝึกสติให้ให้ให้ก่อนให้มากก่อนที่เราจะมานั่งตอนเราสามารถที่จะกำจัดความคิดต่างๆได้ คุณพรศรีครับในขณนะนั่งสมาธิและฟังเทศของพระอาจารย์ไปด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าจะฟังเทศก็ต้องฟังแบบเอาอย่างเดียวคือฟังเสียงเทศอย่าไปพุดโธแข่งกันอย่าไปนั่งสมาธิแล้วพุโทโธพุโทโธแล้วก็ฟังเสียงธรรมไปด้วยเพราะมันจะชนกันมันจะตีกันถ้าเราจะใช้การฟังธรรมเป็นวิธีการทําใจให้สงบเราก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลหมหายใจ ให้เอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เสียงธรรมล้วก็ปิดเสียงธรรมไปไม่ต้องไปฟังถ้าเราอยากจะดูลมและพุโทโธไปเอาอย่างใดอย่างหนึง่งคุณนัทวันครับเรานําของไปถวายพร ะ, พระสงฆ์อ า, าพาธที่ตึกสงฆ์โรงพยาบาลประจําจังหวัดค่ะอันนี้สงฆ์จะได้ดีกว่าไปถวายสังฆทานไหมครับ ก็ได้เหมือนกันนะ่ะมันก็เป็นการทำทานอย่างเดียวกันนะคุณสราวุธครับธรรมชาติของใจทำไมจึงปรุงแต่งฟุ้งซ่านตลอดเวลาปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างเป็นแบบนี้ประจําเป็นเพราะอะไรครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปรู้เป็นเพราะอะไรหน้าที่ของเราก็คือให้เรารู้จักควบคบุมความคิดปรุงแต่ง ค, คุณศรีนวลครับ ดิฉันเอ่ยวาจากับท่านเจ้าแม่กวนอิมว่าจะกินเจทุกวันพระแต่ดิฉันจิตใจไม่หนักแน่นอยากเลิกแบบนี้ถือว่าเราผิดวาจาไหมครับก็มาก็ไปเปลี่ยนสัญญากับเจ้าแม่กวนอิมก่อนเลยตอนนี้ขอเลิกสัญญาแล้วตอนนี้จะขอกรรมกินขอขอเลิกกินเจก็ท่านั้นนะ่ะแเราทาต้องไปทําผิดวาจาทําไมเมื่อเราทําไม่ได้เราก็ไปสรารภาพว่าทำไม่ไหวขอลดก่อนขอเลิกก่อน ไม่วัาหลังมีกำลังมากขึ้นเราจะค่อยมาทำใหม่คุณพานิดาครับขณะวิ่งจ็อกกิ้งสวดมนต์ไปด้วยจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงถือว่าเป็นการฝึกสติมาเดินจงกลมได้ไหมครับได้เวลาเรามีสตินี้เราจะไม่ค่อยรู้สึกความเจ็บความเจ็บปวดของร่างกายเราจิตเราไม่ค่อยจิตเรามันมีอะไรยึดเดียวจิตมีความสงบมีอเบเอคา มันก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกอาการเจ็บปวดเรือเป็นางของร่างกายครับนี่ผมเคยครับอาจารย์ตอนวิ่งมินิมาราทอนสิบกิโลผมเคยพุดโทรพุดโทไปเลยไม่ถึงชั่วโมงก็เข้าเส้นเลยครับอาจารย์เ ห, ยเหนื่อยน้อยมากเหนื่อยน้อยเหนื่อยจริงครับคุณอภิษีครับเพื่อนเป็นแม่ชีถือศีลแปดพักอาศัยอยู่บ้านตัวเองเพราะอยู่วัดลำบากเรื่องอาหารเพื่อนต้องการใส่ชุดแม่ชีเนื่องจากชุดขาวมีส่วนช่วยให้ระลึกตัวเอง ไม่กระโดกกระเดกได้มากกว่าคิดและทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วหรือไม่ครับก็ทําได้เดี๋ยจะใส่ชุดไหนก็ได้ไม่สำหรับแม่ชีนี่ไม่มีกฎหมายบังคับทางกฎหมายหรือทางทางกฎระเบียบของสงฆ์ก็ไม่มีเพราะแม่ชีนี่ถือว่าเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาจะแต่งกายยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาคุณอนนี้ครับ การฝึกภาวนาหากทําเป็นแล้วชํานาญแล้วจะเป็นทักษะเหมือนเช่นการว่ายน้ําขับรถไม่แน่ใจว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับถูกต้องมันก็เป็นการเหมือนกับการว่ายน้ําขับรถนีน่ยนะการเล่นกีฬาอะไรนะต่างๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะชํานาญขึ้นมาเองคุณแอนครับหลานสาวอายุ16ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระดูกลามปอดเมื่อวันที่29ตุลา2566 หลานสาวไปอย่างสงบด้วยการรักษาของหมอห้าชั่วโมงก็จากโลกนี้ไปน้าไม่รู้สึกเสียใจแต่แค่รู้สึกคิดถึงแบบนี้เราจิตเราเข้าใจคาว่าเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะก็ถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราเร า, เรายอมรับความความจริงของร่างกายว่ามันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาคุณโคโค่ครับ เวลานอนจะสำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจดปลายเท้าจะรับรู้จุดที่ร่างกายเจ็บป่วยได้มากกว่าปกติทำแบบนี้ก่อนนอนทุกวันฟังธรรมะจนหลับไปรู้สึกสงบใจมากกว่าไปบวชชีพรามที่วัดลูกทำถูกไหมเจ้าคะไม่ทราว่าหมาเควาว่าถูกอย่างไรคือถ้าทำแล้วทำให้ใจเราสงบได้ก็ถูกถว่าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อทาใจให้สงบดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ คุณรอยเคียวครับกระผมมีความยึดติดในประสบการณ์และเรื่องราวที่เจอมาในชีวิตทั้งความสัมพันธ์ผู้คนและเรื่องในอดีตสุขและทุกข์ไม่อยากจะลืมเรื่องทั้งหมดนี้ตอนตายควรใช้ข้อธรรมไหนในการปล่อยวางครับก็ต้องใช้หลักอ น, นิจจงความจานี้ก็เป็นของไม่เที่ยงพระเจ้าบอกสัญญาเป็นอ น, นิจจ์เราควบคุมบังคับยัไม่ได้ วันไหนวันไหนมันก็ต้องเสื่อมไปตามตามการตามเวลาของมันคุณแพตครับนั่งสมาธิได้ระยะเวลาใกล้เคียงกันเกือบทุกครั้งพอใกล้เวลาความคิดโน่นนี่ก็ประดังเข้ามาไม่หยุดควรนั่งต่อไปไหมครับหรือควรหยุดครับถ้าอยากจะนั่งนานขึ้นเราก็ต้องอยากนั่งต่อไปแต่ไม่ให้นั่งเฉยๆนั่งแล้วเราก็ต้อง เราก็ต้อ ง, จงเจริญสติเช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วสวดวนไปถึงเราจะนั่งต่อได้ถ้าเรานั่งต่อไปเฉยๆนี่เราจะนั่งไม่ไม่ไหวเพราะไม่มีสติไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากที่อยากจะลุกแล้วคุณสิทธิกรครับสอบถามการปฏิบัติเมื่อเจอรู้ที่เรียบเรียบแล้วรู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ไม่ไปกับอารมณ์แล้ว ควรวางใจอย่างไรต่อไปครับเมื่อลองพิจารณาตัวรู้แล้วก็โล่งไปหมดสบายก็รู้สงสัยก็รู้วางอยู่กลางๆงอย่างนั้นกลับถามอาจารย์ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับก็พยายามทําให้มันได้ตลอดเวลาเวลาเจ็บข้าด้ป่วยก็ก็รู้ว่าเจ็บข้าด้ป่วยไม่ไปทุกข์กับมันเวลาใครด่าเราเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันอันนี้เราต้องพิสูจน์กับเหตุการณ์ต่างๆ hmm. เราไม่สามารถจะวัดได้จาก การที่เรานั่งสมาธิเราสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้โดยที่เรายังไม่ได้ไปเจอของจริงเราต้องไปเจอเหตุการณ์จริงเจอเจออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมันกระทบกับเรามันดูสิว่าเราจะเฉยๆได้ไหยเจอคนก็ด่าเราเราก็เฉยเจอคนดูถูกดูแคลแล้วกลั่นแกล้งเราเราก็เฉยเจอลรคภยัยแค่เจ็บเราก็เฉยมันต้องมีต้องดูข้อสอบต่อไป คุณประชาครับทําบุญกระถินสิบวัดวัดละหนึ่งพันบาทเทียบกับทำบุญวัดเดียวหนึ่งหมื่นบาทบุญที่ได้จากการทําทานเท่ากันแต่ผลประโยชน์จากทานที่ทําต่างกันขึ้นกับวัดที่ได้เอาไปใช้เรื่องนี้ต้องใช้ปัญญาเลิกเองอย่างนี้ถูกต้องไหมครับได้คนทำมาได้เท่ากันแต่คนร่ำเนี่ยก็จะได้ได้ได้ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าไปทำกี่วัดแต่ก็ปริมาณมันก็จะน้อยลงไปนะถ้าทําวัดเดียววัดนั้นก็ได้ หมื่นหนึ่งไปเลยถ้าไปทำสิลวัดก็วัดหนึ่งก็ได้แค่ค น, ค, นคนละคนละพันเดียววันวันละพันเดียวประโยชน์ที่ได้จากคนพันก็สู้ประโยชน์ที่ได้จากันหมือนไม่ได้คุณอาภาลักษ์ครับชอบสวดมนต์และฟังธรรมมากแต่หัดนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะใจไม่สงบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับก็ เ, เวลาฟังธรรมเสร็จก็อย่าพิ่งนุกอย่าพิ่งเลิกลองนั่งสมาธิต่ตอ เวลาฟังธรรมก็ให้นั่งนั่งในท่าสััดสมาธิไปเหมือ น, นกันตอนเรากำลังทําสมาธิอยู่โดยอาศัยเสียงธรรมเป็นอารมณ์พอฟังธรรมจบแล้วเราก็เปลี่ยนอารมณ์จากเสียงธรรมมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอันนี้เป็นวิธีฝึกขาดของผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆที่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้โดยโดยลําพังก็อาศัยการฟังธรรมกล่อมใจไปก่อนพอใจสงบแล้วก็อย่าเพิ่ม อ, อย่าเพิ่งเริ้อ ก็เปลี่ยนมาจากการทำธรรมมาเป็นการดูลมหมายใจเข้าออกแผนปิดเสียงทําไปคุณรช่องวัดเจดครับอยากไปบวชกับพระอาจารย์ได้ไหมครับเราบวชไม่ได้หราไม่ได้เราไม่ได้เป็นอบประชาไม่ได้เป็นเจ้าวาดวันนี้ต้องไปติดต่อกับเจ้าวาดท่านเป็นทั้งอบประชาท่านเป็นเจ้าวาดใครจะมาอยู่อยู่วัด น, นี้ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากท่านก่อน คุณแดงครับธรรมะเหมือนธรรมชาติหมายความว่าอย่างไรครับคือธรรมะนี่มันมีความหมายห ล, หลายหลายหลายความหมายด้วยกันธรรมะที่เราได้ยินกันก็คือความคําสังาส่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าธรรมะแล้วธรรมะอีความหมายหนึ่งก็คืออะไรต่างๆเราก็เรียกว่าเป็นธรรมะไปหมดเป็นธรรมไมหม คุณสลาวุธครับถ้ายังรักษาศีลไม่ครบสมบูรณ์แล้วนั่งสมาธิผลจะได้ไหมครับจะสมบูรณ์จะได้ผลจากสมาธิหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ศีลเพียงอย่างเดียวอยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีศีลแต่ไม่มีสติก็สงบไม่ได้ต้อมีสติที่เรารักษาศีลก็เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลเราไปเหมือนโลาย า, าเราก็จะเหมืนเมา พอมเมาแล้วก็จะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีสติพอที่จะมานั่งยันการรักษาสีลนี้เพื่อให้เรามีสติคือไม่ให้ไปดื่มสลาอยาเมาแล้วเราก็ลองมาฝึกสติให้ให้มีอย่างต่อเนื่องเพื่อเวลานั่งสมาธิเราจะได้สงบได้คุณกระต่ายครับบอกว่าจะพยายามปฏบิบัติบูชาให้มีสติและให้ตัวเองก้าวหน้ายิ่งขึ้นเจ้าคะ่ะ ส า, สาคุณโคโคครับกับเรียนพระอาจารย์เรื่องทรัพย์สมบัตินอกกายทั้งหมดเหลือแต่การควบคุมฝึกจิตหลังความตายให้เข้าถึงซึ่งพานิพานเจ้าคะ่ะเนี่ทรัพย์สมบัติต่างๆเราไปไม่ได้ถ้าจะไปนิพานนี้ต้องทิ้งทุองอย่างไปหมดก็ต้องทิ้งตอนก่อนเราตายด้วยไม่ใช่ไปทิ้งตอนที่ทําพิธีกรรมไว้ ทำพินัยกรรมมานี่แสดงว่าเราไม่ได้ทิ้งคุณกุญยวันครับไม่ได้สวดมนต์แต่กำหนดพุทโธในเอรยาบทของเราแทนได้บ้างแต่หลุดเยอะอย่างนี้ได้บุญบ้างไหมเจ้าคะก็ได้บ้างก็พยายามทำให้มันหลุดน้อยลงไปจะได้บุญมากขึ้นคุณแดงครับ เกิดแก่เจ็บตายเวียนไหยตายเกิดเป็นวัฏฏะสงสารจะเป็นแบบนี้จนถึง 2,500 ปีใหม่เจ้าคะเกินไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตาในใดเรายังไม่ได้ยุติมันก็จะเกิดแก่เจ็บตายเวียนไหวตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากที่เป็นตัวเหตุให้พายเรามาเกิดแก่เจ็บตายได้การเกิดแก่เจ็บตายถึงจะหมดไปได้ อาจารย์ครับอย่างนี้โลกนี้พอหมดไปก็ไปโลกอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ <ไป S 1> นะก็ ม, มีมันมีดวงดาวที่ที่เหมือนกันโลกเราที่มีมนุษย์อยู่ต้องเยอะแยะไปเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปติดต่อเขาได้แล้วก็เลยไม่รู้แต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมที่ทั้งจั ก, กรวาลนี้จะมีดวงดาวที่เราอยู่ดวงดาวเดียวนัว้นที่มีมนุษย์อยู่ โรงางานไหนก็ตามที่มีปัจจัยสี่พร้อมที่จะให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้มันก็จะมันก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นถ้ามีดิน้ำน้ำไฟที่พอประมาณไม่มากเกินไปไม่ น, อน้อยเกินไปอย่างโลกเราเนี้ยมันก็ยังทาให้มีสิ่งนี้แตกต่ตางๆเกิดขึ้นมาได้คุณกดชะพรครับการ ส, ว, นนส ว, วดมนต์สวดบทไหนให้ผลดีต่อการปฏิบัติธรรมมากที่สุดครับ ได้ได้ได้ทุกทกทุกส่วนทุกบทนะเพราะว่าการส่วนนี้เพื่อให้เรามีสตินะไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นบทไหนการส่วนนี้เพื่อให้เรามีสติไม่ให้เราไปคิดฟุ้งซ่านไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆคุณท็อปครับมนุษย์เราเกิดมามีหน้าที่หลักคืออะไรครับเพื่อทําประโยชน์เกือ้อกูลสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือเพื่อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เพียงพอแล้วครับ ก็ตามที่พระเจ้าสอนนะพระเจ้าบอกว่าให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี้ความไม่ประมาณประโยชน์ตนก็คือทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็ไปสอนคนอื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปครับคุณกวีแห่งขุนเขาครับพระอาจารย์คะเดินจงกรมกี่ชั่วโมงถึงจะได้ผลเจ้าคะมันไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงมันอยู่ที่สติ ถ้าเราเปสติเดินจงกลมทานาทีาทสิบนาทีก็เกิดผลขึ้นมาได้ใจก็เยน็นใจก็สงบในขณะที่เราเดินได้ไม่ได้อยู่ที่เวลาที่ต้องเดินมากก็เพราะว่าสติยังมีไม่ไม่มากพอยังไม่สงบเลยต้องเดินนานกว่าจะสงบได้ให้มันวนอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่เวลาคุณสมพร้อมครับ โลกมนุษย์มีสงครามกันเป็นแห่งๆฆ่าฟันกันเป็นเพราะเขามีการมพัวพันกันใช่หรือไม่คะและในอนาคตโลกจะแตกสลายไปหรือไม่หรือโลกมนุษย์จะคงอยู่ตลอดการไม่ดับสลายครับที่มีการฆ่าฟันกันก็พอมีความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นแข่งแย่งกันแข่งแย่งผ่นดินแข่งแย่งน้ํามันแข่งแย่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดสงครามขึ้นมา คือความโลภครัความอยากของของของมนุษย์เรานี้ครับที่ทําให้เกิดสงครามขึ้นมาคุณกดชะพรครับการสวดขอขอมาถอนคําสาบช่วยพลิกชีวิตที่ติดขัดได้ไหมครับไม่ได้แร้วการสวดมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับชีวิตของเราจะมิติเปลี่ยนแปล ง, งชีวิตของเราคือคือการกระทําตัวเราเองพลิกตัวเราเอง เคยทำบาปก็เลิกทํ า, าทบาปอย่างเงี้ยมั น, นมันเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการสวดครับคุณจักริดครับหลานชายเรียนจบวิศวกรรมมาทํางานแล้วลา ง, งานไปบวชอยู่วัดป่าแล้วไม่ลาสิกขาเลยลูกชายผมเรียนจบวิศวะเหมือนกันบอกว่าบอกผมว่าถ้าให้ไปบวชก็จะไม่ลาสิกขาเหมือนกันควรทําอย่างไรครับผมก็ปล่อยให้เขาตัดสินใจชีวิตเป็นของเขา เรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขาเราให้เขาช่วยตัวเขาเองได้พึ่งตนเองได้้วเขาจะเลือกวิธีพึ่งตนเองของเขาแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาไปครับลูกศิษย์พระอาจารย์มีแต่วิศาวะกับหมอเต็มมัน <laughs> <c oughs> คุณกุณญยวันครับเวลามีคนบอกว่าเราแนะนำเขารู้สึกว่าเราสอนเขาแล้วเขาร้อน แต่เราว่าแค่เราแนะนําเป็นเพราะเรายึดมั่นตัวเองมากไปไหมเจ้าคะ่ะเหมือนกับไม่ยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ท่านช่วยแนะนําด้วยเจ้าคะ่ะก็ก่อนที่เราจะไปสอนใครเราต้องดูว่าเขายินดีรับฟังคําสอนของเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีเราก็อย่าไปสอนค่อนคุณหลิงครับถ้าผู้ชายมีภรรยาสองคนแล้วเขาบอกว่าภรรยาสองคนยอมรับได้ อย่างผู้ชายอย่างนี้ผิดสี่งข้อสามไหมครับก็มันไม่ได้เป็นประเพณีของชาวพุทธเราเนี่ยประเพณีของชาวพุทธเราให้มีสามีภรรยาคนเดียวผัวเดียวเมียเดียวแตถ้าจะไปถือตามศาสนาอื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับศาสนาพุทธนี้ท่านบอกให้มีภรรยาเดียวครับแต่ ถ้าอย่างที่ถ้าคิดว่าไม่มีปัญหากันอยู่ด้วยกันได้ไม่ไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาก็กทําได้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีไว้เพื่อให้ให้อยู่ร่วมกันอย่างร่วมเงย็นเป็นศขให้เป็นที่พึ่งของกันและกันเพราะปกติคนเรานี่มันอยู่คนเดียวแล้วมันอยู่ไม่ได้มันเหงาต้องมีเพื่อนมีคู่ครองที่การังมีคู่ครองแบบสองคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรห้ืไม่ควรอันนี้แล้ล ะ, ละแต่กรณีไปก็ล้วกัน คุณเลิฟลีช็อปครับลูกชายอายุสิบห้าปีไม่เชื่อนับถือศาสนาได้เลยควรจะชักจูงเขาอย่างไรดีครับเป็นห่วงครับอก็ก็ชวนเข้าไปวัดเนี่ยไปชวนเขาไปวัดถ้าเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้ชวนเขาไปวัดชวนเขาไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปทําบุญทําอะไรแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วก็ทําอะไรช่วยเขาไม่ได้ คุณตั้มครับชอบปั่นจั ก, กรยานเวลาหลายชั่วโมงแต่ในขณะปั่นท่องพุโทโธหนึ่งถึงร้อยแบบนี้ถือเหมือนเดินจงกรมไหมครับแต่ก็มีสติอยู่กับการปั่นกับพุโทโธถ้าลงไปคิดสิ่งอื่นก็จะดึงกลับมาได้ตลอดแบบนี้ได้ไหมครับได้ก็เปหมือนการเดิจงกร ม, ม, ม, ม, มคุณสุภาพรครับขณะที่นั่งสมาธิจิตรวมอยู่มีเสียงดังขึ้นมารู้สึกว่าแสงสว่างจ้าขึ้นมากกว่าปกติทุกครั้งเป็นเพราะความตื่นต่อเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะ มันมันไม่แน่หรอกมันเวลานั่งสมาธิมันก็อาจจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็ได้เกิดจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าไปดีใจอย่าไปสนใจหรือว่ามันเป็นของชั่วคราวของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตว่างให้จิตเย็นให้จิตสงบเท่านั้นเองถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจ คุณสายข่าวครับเมื่อมุ่งปฏิบัติสูตรโพธิปักขัยธรรมแล้วหากยังขัดสนทรัพย์ทางโลกพระอาจารย์โปรดแนะนำด้วยครับก็ไปบวชสิไปบวชแล้วก็จะมีทรัพย์จะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องทรัพย์ทางโลกต่อไปเพราะมาเป็นนักบวชล้วก็จะมีคนคอยดูแลเรื่องปัจจัยสีอยู่ตลอดเวลา คุณสราวุธครับวิธีภาวนาพุโทโธหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธแล้วมีสติแบบนี้ถูกใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ได้เป็นวิธีหนึ่งในการทําสมาธิโดยจะเอาแบบคำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปผูกกับลมก็ได้คุณมุทิตาครับเรียนถามว่าชอบเดินจงกรมพอแทนการทําสมาธิได้ไหมครับ มันก็มันก็สงบไม่เท่ากันนะเาินจงกรมนี้จะได้ความสงบไม่เท่ากับการนั่งสมาธิแต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เดินจงกรมไปก่อนเมื่อเราเดินจงกรมแล้วจิตเริ่มสงบได้จากการเดินจงกรมขั้นต่อไปเราก็เราเรามานั่งสมาธิต่อไปเพื่อจิตจะได้สงบมากขึ้นลึกเข้าไป คุณพิมพกาครับนั่งสมาธิแล้วเมื่อยหลังเปลี่ยนเป็นนอนสมาธิได้ไหมครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะนอนสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้แต่ผลที่จะได้มันอาจจะต่างกันถ้านอนสมาธินี่โอกาสที่มันจะหลับมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิคุณกำพลครับการที่เราจะเลิญภาวนาสมาธิจะได้บุญกุศลไหมครับ ได้จะได้ผลถ้าดั่งสมาธิและใจสงบความสงบนี้แหะเขาเรียกว่าเป็นมุนเป็นความศพใจคุณแสงได้ครับ mm hmm. การเรียนถามว่าคนคิดอยากจะฆ่าตะฆาดอยากจะตายคือความคิดที่เป็นบาปไหมครับก็เป็นความคิดที่เป็นกิเลสตัณหาที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าเรายังไม่ได้ฆ่ายังไม่บาปแต่ถ้าเราฆ่าเมื่อไหร่เราถึงจะถึงจะเป็นบาปขึ้นมา คุณพิติพัทครับการทำความรู้สึกตัวในการใช้ชีวิตระหว่างวันให้ผลที่แตกต่างกับการนั่งสมาธิในที่ส ป, ปายะอย่างไรครับถ้าเพียงทำความรู้สึกตัวเรื่อยๆโดยไม่นั่งสมาธิจะเพียงพอไหมครับก็ได้ความสงบไม่ไม่ไม่ไมากพอเท่ากับเวลาเรานั่งสมาธิแต่เราก็ต้องเจริญสติก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้ต้องสามารถเจริญสติคอยควบคุมความคิดต่างๆได้ก่อน มันได้แล้วเราก็ต้องไปนั่งสมาธิต่อมันไป็ขั้นคนละขั้นเหมือนขับรถเนะ่ะตอนเริ่มตอนเรานมาเข้าเกียร์หนึ่งก่อนพอเข้าเกียร์หนึ่งรถก็่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเข้าไปเกียร์สองล้ถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นครับคุณสมพรครับเวลาเราทำบุญตามวัดใหญ่ๆเช่นวัดประจำจังหวัดทางวัดจะมีตู้ทำบุญแยกชนิดตู้บุญไปหลากหลาย เช่นว่าตู้บุญถวายอาหารพระสามเณรญาติผู้ล่วงรับบิดามารดาเทวดารักษาตัวเจ้ากรรมในเวรโยมก็ทาบุญไปตามลักษณะจาแนกตู้บุญดังกล่าวโยมจะได้บุญแยกไปตามตู้บุญหรือว่าจะได้บุญเหมือนกันทุกตู้ทุลักษณะบุญครับ <c oughs> ได้เหมือนกันทำตู้ไหนก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ปริมาณที่เราทำทำมากถ้าทำเท่ากันจะทำตู้ไหนก็ได้เหมือนกัน คุณรัตนามณีครับกลาบขอบพระคุณในข้ออัดธรรมอ่อนอ่นนี้ช่วงนี้เป็นช่วงกระถิน่นบริจาคไปหลายกองแต่ไม่ได้ไปร่วมพิธีอย่างนี้ได้บุญเหมือนกลับไปทอดเองไหมครับได้ได้เหมือนกันนะคุณเอกชัยครับในอดีตผมทำบาปกรรมมามากจนนับไม่ท้วนแต่ปัจจุบันผมกลับมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมหันหน้าเข้าศึกษาธรรมะฝึกนงสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรม รักษาศีลห้าแต่ไม่ครบห้าข้อแบบนี้หากอายผมจะไปอยู่อาบายภูมิไหมครับถ้าเรายังไม่ได้ทําบุญเลยแล้วก็บาปนี่เร า, าก็ยังทำไม่เรายังทําอยู่ต่อไปมันก็ต้องไปอาบายแน่นอนวิธีที่จะทําให้เราไม่ไปอาบายคือเราต้องหยุดการที่ทาบาปแล้วกกทําแต่งรุญทาบุญให้มากกว่าบาปที่เราเคยทํามาบุญก็จะดึงเราขึ้นไปสวรรค์ได้ คุณสัจธรรมครับถ้าจิตเราไม่ได้คิดเอื่องความรักความชอบใัยเลยแต่ยังเอาเรื่องความรักความชอบไปฝันแสดงว่าในส่วนลึกเรายังคิดถึงอยู่ใช่ไหมทําอย่างไรถึงจะตัดความรูร้สึกตรงนี้ไปได้แต่ในชีวิตประจาวันไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้แล้วค่ะชอบอยู่กันดูอ๋อก็ลองจเจริญ อ, อสุภะพิจารณาอาสุภะอยูเื่อๆพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเช่นพิจารณาการ32ของร่างกาย มันก็จะทำให้ตัดความอยากได้อย่างแท้จริงคุณตอนครับการกับเปถามพระอาจารย์รู้ธรรมกับเมาธรรมเราจะสังเกตได้อย่างไรครับบางครั้งมีเพจใหม่ๆเกิดขึ้นออกมาพูดธรรมะผมเองเห็นว่าเป็นอาการฟุ้งที่รู้เห็นธรรมในขั้นแรกๆช่วยแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์ก็ ทเราต้องรู้ทำถ้าถ้ารู้ทำใจเราก็ต้องสงบถ้าไม่เอาทำใจเราก็ไม่สงบก็แคอยู่ที่ใจเราว่าเป็นธรรมที่ทําให้ใจเราสงบหรือทําให้ใจเราไม่สงบคุณธนพัฒน์ครับเวลาทําสมาธิแล้วกําหนดบริกรรมพุทโธบางครั้งจะรู้สึกเพ่งและมีความเครียดจิตใจไม่ค่อยสบายแต่ทําแบบไม่กําหนดรู้ทําจิตใจปล่อยวางแล้วรู้สึกจิตสงบกว่านิ่งกว่าการบริกรรม แบบนี้ไม่ต้องบริกรรมได้ไหมครับได้เป้าหมายก็คือทำให้จิตสงนบนทำทีไหนก็ได้คุณอนนี่ครับเมื่อระลึกถึงความตายยังกลัวตายและยังไม่อยากตายเพราะยังไม่บรรลุธรรมขั้นต้นทำให้หนูรู้สึกมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมค่ะกับอาจารย์เดีควาารนึกถึงความตายเนี่ยช่วยกระตุ้นการกระทำความเพียรได้ดี คุณนิกครับดูจิตอย่างเดียวและมองทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ต้องทําสมาธิแบบนี้ทําได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าทําแล้วเราเราหยุดความอยากต่างๆได้หรือเปล่าเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากให้หมดไปจากใจคุณใบหยกครับลูกถูกจริต ก, กับการดูลมดูแบบไม่ต้องไปจดจ้องเขาค่ะดูแบบสบายๆรวมเร็วเจ้าค่ะ เวลารวมแล้วเสียงดังใดๆภายนอกจะไม่ทำให้จิตที่สงบนั้นได้เลยเจ้าค่ะลูกมาถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วคุณสลาวุธครับถ้ามีความคิดอกุศลคิดไม่ดีเกิดขึ้นจะเป็นบาปทำให้เราตกนรกไหมครับยางแบบเป็นแค่ความคิดยังไม่ได้เป็นการกระทำทางกายือทางวาจายังไม่เป็นบาปเป็นอกุศลซึ่งเราควรจะหยุดคิด พอท่านเราไม่หยุดเนี่ยบางทีมันก็จะาล า, าไมไว้ทางการกระทำทางกายก ท, ทางวาจาต่อไปได้คุณสุภาพ ร, พรครับออกจากสมาธิแล้วลูกฝึกใช้ปัญญาตามที่พระอาจารย์สอนทุกครั้งอ่านหนังสือกายะคตาสติดูภาพร่างกายในหนังสือช่วงแรกๆดูแล้วรู้สึกกลัวและสลดใจในสิ่งที่ไม่สวยงามแต่ตอนนี้เปิดดูรู้สึกเฉยๆทนดูภาพที่ไม่สวยงามได้เป็นธรรมดาเจ้าค่ะ ใจเราย่อมเริมยอมรับความจริงของร่างกายมากขึ้นคุณวีวีครับเขากาสสอบถามพระอาจารย์ว่าเมื่อเราเมื่อคนเราหมดลมนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้ น, นมาจิตออกจากร่างเลยหรือเปล่าคะเพราะมีโอกาสได้ดูุแลคุณย่าอายุ90้าสิในวาระสุดท้ายบอกพุทโธข้างหูจนท่านหลับไปแล้วไม่ตื่นมาอีกคะ่ะคือจิตชาร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายหรอกจิต เพียแต่มาเชื่อมต่อกันกับร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับคนสองคนทีม่มาเชื่อมต่อกันด้วยโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยพอคนหนึ่งพอคนหนึ่งตายไปสัญญาณมือถือก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เท่านั้นเองเวลาร่างกายตายไปวิ ญ, ญญาณที่มาเกาะติดกับร่างตาหูจมูกนี้กายก็จะหดกลับเข้าไปในจิตก็แยกกันไปคนละทาง คุณมนตรีครับนอนภาวนาจนหลับไปแล้วเรานิมิตฝันเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์มาโปรดบ่อยๆเป็นเพราะจิตเราส่งถึงท่านหรือท่านมาโปรดเราหรือจิตสังขารปรุงแต่งให้ฝันเป็นมงคลครับคิดว่าเป็นความคิดปรุงแต่งของเรามากกว่านะคุณโจครับพระพุทธองค์ตัดว่ากถินเป็นกาลทานคือมีช่วงแค่หนึ่งเดือนอย่างออกพรรษามีอันิด้ส่งมากกว่าสังฆทานทั่วไปเพราะอะไรครับ คือที่มีอันนี้สองก็คือมีประโยชน์มากแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระขาดผ้าไงอย่างอื่นมีอาหารมีแต่ขาดผ้านุ่ที่จะมายัเป็นกีวรเนี่มันไม่พอเพียงเอามา่ก่อนนี้พระท่านไปเก็บผ้าที่เขาเห่าศพไว้ในปา่าช้าตอนยึดแรกๆตอนที่เริ่มประกาศพระศาสนานี่คนมาบวชยังไม่มากผ้าในป่าช้าก็มีเหลือเฟือแต่ต่อมาคนเริ่ม มาบวชกันมากขึ้นมากขึ้นพ้าในป่าช้าก็เลยหมดหมดเรลี้งพระก็ไม่มีมีได้อย่างมากก็ผืนสองผืนไม่ไม่พอเวลาถ้าเกิดในฝนตกถ้าจีวรเปืนก็ไม่ถ้าจีวรเปียกก็ไม่มีจีวรที่จะเปลี่ยนใหม่พระเจ้าก็เลยเห็นความเดือดร้อนของพระเกี่ยวกับเรื่องของจีวรเลยบอกญาติโยมว่าให้ช่วยถวายผ้าให้กับพระแต่ให้ถวายแค่ปีละครั้งเดียวก็พอ ในรยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะไม่อยากจะให้มีมากไปกว่า น, นั้นนี่แนละ้วมันจะมันจะไม่มันจะเป็นภาระไปเปล่าๆให้มีพอเพียงปีนั้นถอยพลาดพ้ากระถิน่นปีนันหนึ่งครั้งก็พอความหมายอันที้สองก็คก็มีเป็นมีประโยชน์มากเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ขาดผ้าดนั่นเองพรอาจารย์ครับที่บ้านตากนี้เวลากระถิ่นนี้มีต้องตัดเย็บ ทวอนกันเองในนั้นในวัดเลยไหมครับอาจารย์ทุกวัดก็ต้องตัดเย็บกันทุกวัดเนี่เพราะว่านี่เป็นเป็นเป็นเป็นพิธีการของกฐินไงเมื่อได้รับผ้ามาจากญาติโยมแล้วเป็นผ้าขาวผ้ากัน้องเอาไปตัดเย็บเป็นผ้าผืนหนึ่ผืนอย่งรสามผืนจะเป็นจีวอก็ได้สมองก็ได้เป็นช่างคติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ท่านจะตัดเย็บเป็นสัเป็นเป็นสบองเพราะมันเป็นผืนแรกที่สุดมันจะได้ไม่ใช่เสียเวลามาก เพราะต้องตัดเย็บให้เสร็จภายในวันนั้นคืนนั้นเลยคตัดแล้วก็ต้เอามาย้อมย้อมเสร็จแล้วก็ต้มาตัดให้แห้งแห้งแล้วก็ต้องมาประชุมว่มานิมมทนากันอีกครัง้งมันนิโมุทนาต่อต่อการได้ผ้าพือนี้มาหรือเยเสร็จพิธีของกระถินตอนที่ญาติโยมถวายนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของของพิธีกระถินพอผ้าได้รับผ้าแล้วพ้าก็ต้องเอาผ้านั้นไปวิ่ไปตัดไปเย็บไปสร้างไปย้อมแล้วไปทําให้แห้ง แล้วก็มาประชุมมาสแสดงความอนุโมทนาต่อการได้ภาพผล น, นี้มาและจากการที่ได้ร่วมร่วมร่วมร่วมแรงกันช่วยทำให้ภาพผล น, นี้ปรากฏขึ้นมาได้สำเร็จภายในเวลาวันเดียวครับคุณดอกบัวงามครับโอนปัจจัยไปร่วมทำบุญจะเป็นบุญใหม่เจ้าคะเป็นเป็นคุณ ทำพิพัฒน์ครับเวลาทําบุญผมไม่ได้อธิษฐานว่าขอนั่นขอนี้แต่เป็นการระลึก ถ, ถึงคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แบบนี้ใช้ได้ไหมครับเพราะเชื่อตามคําสอนพระพุทธองค์อัตตาหิอัตโนนาโธครับคือเวลาทําบุญไปขอนั่นขอนี้ไม่ได้หรอกทําบุญก็จะได้ได้ผลบุญที่เราทำเท่านั้นเองจะขอก็ไม่ขอเหมือนกับการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารก็เพื่อให้ร่างกายอิ่มจะไปขอให้ถูกอัตติมันเป็นไปไม่ได้หรอก ธนการทำบุญก็เหมือนกันทำบุญแล้วขอให้ไปนิพพานมันก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะบุญนี้ทําให้ใจอิ่มเท่านั้นเองใจ ย, ย ก, กระดับจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเท่านั้นเองจะขอหรือไม่ขอมันก็จะได้ผลอย่างนั้นตามเหตุตามผลคุณเทพรักษาครับพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับการทํางานเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินให้ทํางานจนมีดอกผลเพียงพอมาใช้แล้วไม่ต้องทํางาน ผมเห็นหลายๆคนที่คิดแบบนี้เวลาทำงานเก็บเงินอย่างเดียวอยู่อย่างประหยัดมากบางคนป่วยตอนหลังจนต้องเอาเงินที่มีอยู่ทั้งหมดมายืดเวลาที่เหลืออยู่อย่างทรมานแทนที่จะใช้เวลาช่วงที่แข็งแรงให้มีความสุขและพอร่างกายไม่ไหวก็ไม่ต้องทรมานปล่อยตามสภาพกราบเรียนขอคำแนะนำครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิดก็แล้วกันอันนี้เราไม่สามารถแนะนาได้บางคนก็อยากจะทาอย่างนี้ก็เรื่องของเขาไป อยากจะทําอย่างนี้ก็เรื่องของเราไปครับผมตอนนี้ถึงคําถามสุดท้ายแล้วครับบอกว่าสายขาวเถาะร่วมทุกได้เพราะความเพียรความเพียรสี่สถานปัจจุบันนี้พระอาจารย์แนะนําครับก็เพียรสร้างบุญสางกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นสองเพียรรักษาบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หายไปสาเพียรละบาปอกุศล ้ที่ยังมีอยู่ในใจให้มันให้มันหมดไปแล้วสี่เพียงป้องกันไม่ให้บาอกุศลที่ได้ละแล้วให้กลับคืนมาอีกนี่ก็คือการทำความเพียรอยู่สี่สี่สถานด้วยกันอาจารย์มีคาถามเข้ามาอีกครับเาเถ้ายังมีเวลาก็เชิครับผมคุณหมีครับอยากรบกวนสอบถามพระอาจารย์แนะนำความหมายของอธิษฐานบารมีครับ ธรรมหมายของอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจหรือการตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรต้องการทําอะไรไม่ใช่ไม่ได้เป็นการขอโน่นขอนี่พนะทางภาษาในอธิษฐานในบารมีศีลนี่ห ม, มายถึงการตั้งเป้าหมายของการกระทําว่าเราจะทําอะไรเช่นเราจะนั่งสมาธิวันละสีชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกอธิษฐานนะแล้วเราพอตั้งแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเราถึงสามารถทําได้ มีศักดิมีความเพียรมีความอดทนแต่ถ้าเราตั้งเฉยๆไม่มีศัจดิไม่มีความเพียรความอดทนบางทีก็ตั้งแล้วก็ล้มเหลวไม่สามารถทําตามที่เราตั้งใจได้นี่มันคือความหมายของอธิษฐานในการตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราจะทําทอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายบางทีก็จะไม่ได้ทำเลยเช่นคืนนี้ถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมานั่งฟังเทศกันคืนนี้ ก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแทนก็ได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไม่เปลี่ยนใจพอถึงเวลาเราก็จะได้มาฝังเทศฟังธรรมคุณมุทิตาครับเรียนถามขณะทำงานบ้านจา ก, กําหนดลมหายใจเกิดวิตติสุขขนลุกไปสักส2องลมหายใจก็ห่วงงานแต่ชอบทำฟังทั้งวันแต่ชอบเดินจงกรมยามเครียดหรือเหนื่อยงานรับรู้ซ้ายขวาจานวน9้า ควรทำอะไรต่อครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเวลาว่างก็ควรจะนั่งสมาธิต่อคุณสัจธรรมบอกว่าขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะลูกคิดว่าต่อไปอนาคตลูกต้องอยู่คนเดียวแน่ๆค่ะอยากฝึกจิตใจให้เข้มแข็งขอบคุณพระอาจารย์กลัวว่าอายุมากขึ้นถ้าต่อไปอนาคตพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราจะเหงาและยังต้องการความรักอยู่ ไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะตั้งใจจะปฏิบัตินั่งสมาธิตัวเองที่บ้านครับได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจเราสงบแล้วอาการเหงา ว, าว้าเวต่างๆจะหายไปหมดจะรู้สึกสบายอยู่คนเดียวก็วมีความสุขมากกว่าคุณพิมพ์ปกาครับถ้าเราทําบุญแล้วญาติของเราจะได้รับผลบุญไหมคะถ้าเราอุทิศให้ครับคือเราอุทิศได้ให้แต่เฉพาะคนที่ร่วรับไปแล้ว คนที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เขาทําบุญของเขาเองเขาจะได้มากกว่าเพราะไม่นิยอมที่โยนทิ้งบุญให้กับคนมีชีวิตแต่คนไม่มีชีวิตนี้เขาทําบุญเองไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยบุญที่เราอุทิศไปแต่ได้น้อยมากได้น้อยมากคุณ anonymous ครับการทําหมันให้แมวเป็นบาปหรือไม่คะทําหมันด้วยความตั้งใจว่าจะให้เขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นะตะัดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ ไม่บาปหรอกมันจะไปทำร้ า, ายเขาเป็นการเป็นการป้องกันและรักษาให้เขาอยู่อย่างสบายคุณโจครับทำยังไงถึงรักษาสติได้ตลอดครับ uh hmm. ก็พยายามผูกใจไว้ให้อยู่กับพุทโธไปนะอย่าทิ้งพุทโธพยายามตมัองพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ คุณมารีรัตบอกว่าน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์ที่ไม่ตายทำอันประเสริฐขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงครับนาะารับทีว่าจะว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วขอได้ก็ดีครับตอนนี้มีคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์อาจะไม่มีเพิ่ม น, นะครับคุณพระพวีครับถ้าไม่อยากมาเกิดแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องหยุดความอยากหยุดความอยากอยาก อยากหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายร์้ต้องเลิกไปอยากเล่าอยากรวยอยากสวยอยากงาม เ, ลเหล่านี้ก็ต้องเลิกไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ยากจนก็ต้องเลิกไปมีเข้ามาเรื่อยๆเข้ามามาไปเลยถพังกันก็ได้ต่อไปครับต่อเนื่นหง่อยก็ได้ครับอาจารย์ครับคุณเอกชัยบอกว่าทําไมาองค์คุริมานฆ่าคนมากมายแต่ทําไมาไม่ตกนรกตอนตายครับ กเพราะว่าอมกี้มาไปถึงไปไปถึงนิพพานแล้วพอถึงนิพพานแล้วก็ไม่ mm hmm. ก็ไม่สามารถกลับมาเกิดในในอบายได้คุณสายข่าวครับนิวรห้าสังโยตสิข้อจะปฏิบัติป้องกันอย่างไรครับอันนี้มันยาวมากที่นี่มนไม่สามารถตอบในที่นี้ได้น้องลองไปศึกษาดู จากกูกเดูก็ได้ไปนค้นหาดูด้วยกมีอะไรบ้างมีแต่กราบขอบราาพระอาจารย์ทัดแข็แงแรงมาเต็มไปหมดครับอาจารย์คำถามหมดละครับผมหมดเวลาพอดีครับก็วันนี้โอกาสราาพระอาจารย์นะครับมีก็ย้าไป น, นะครับมีเพื่อนๆฟังอยู่ ใน Facebook รวม770คนครับมีใน YouTube 584คนครับในขะับเ o าส e 10คนมีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 1,364 คนครับอาจารย์ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่ดะนำออกไปกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจตามลำดับต่อไป การชนงันทำในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านนน่ะมีขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยเวลาเดิมขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ